การปฏิบัตินี่การศึกษานี่รู้สึกว่าจะมีอุปสรรคพอสมควรคือส่วนหนึ่งก็คือการสื่อสารระหว่างคนพูดกับคนฟังคนพูดว่าอย่างคนฟังว่าไปอย่างมันก็เลยไม่ได้เกิดผลที่ควรจะเกิดเพราะฟังแล้วเข้าใจไปก่นะอย่าง เนเวลานั่งสมาธินี้ต้องการให้จิตนิ่งสงบแล้วพอบอกว่าพอสงบแล้วให้พิจารณาก็เลยพิจารากันอันจริงความหมายว่าพิจารณานี้หมายถึงหลังจากที่ออกจากความสงบแล้วที่มันพูดสั้นๆก็เลยพู่อว่าทาจิตให้สงบก่อนสงบจิตสงบแล้วค่อยไปพิจารณาทางปัญญา คนิค์นฟังก็คิดว่าอานั่งสมาธิพอจิตนิ่งปั๊บก็พิจารณาเลยมันก็เลยไม่ถูกมันพิจารณาต้องรอให้จิตออกจากความสงบก่อนเวลาสงบอย่าไปพิจารณาเวลาสงบนี่เป็นเวลาเหมือนกับกําลังรับประทานอาหารเวลารับประทานอาหารเราไม่ไปทํางาน ราบประทานให้อิ่มก่อนเห็นเวลาพักกลางวันนี้เขาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้ไปพักรับประทานอาหารไม่ใช่พอไปถึงร้านอาหารตักอาหารเข้าปากก็ไปเลยกินคำเดียวแล้วก็ไปเลยพอกินอาหารแล้วก็ไปเลยก็กินคำเดียวแล้วก็ไปเลยไปทำงานต่อมันก็ต้องกินอาหารให้อิ่มก่อนเข้าสมาธิก็เพื่อทาใจให้อิ่มทาใจให้สุข เวลานิ่งมันมันเริ่มนิ่งมันยังไม่สุกมันยังไม่อิ่มมันต้องรอให้มันแช่ไปนานๆอยู่ในสมาธิไปนานๆนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยออกมาออกมาใหม่ๆก็ยังไม่ไปทางปัญญาเพราะสมาธิยังไม่คล่องแคล่วว่องไวถ้าไปทางปัญญาเดี๋ยวเวลาจะหยุดคิดจะหยุดไม่ได้อีก าการใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดแต่ถ้าใช้ปัญญาไปเดี๋ยวเกิดกิเลสมันมาแย่งเอาความคิดไปคิดก็จะหยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกสมาธิหยุดความคิดให้ชํานาญก่อนสามารถหยุดความคิดได้ทุกเวลาแล้วเราค่อยไปทางปัญญาเพอเราไปคิดทางปัญญาได้ปั้มเดี๋ยวกิเลสมันม า, ม า, มาดึงไปคิด ทางอึทางกิเลสเรารู้ทันเราก็หยุดมันหยุดมันเ้วก็กลับไปนั่งสมาธิก่อนแสดงว่ากิเลสมันฟนื้นขึ้นมาแล้ะการเข้าสมาธิก็เหมือนเหมือนกับการไปฉีดยาสลบให้กิเลสเวลาเข้าสมาธิแล้วกิเลสก็ออกมาเพ่นพ่านไม่ไดออ้เพราะมันต้องอาศัยความคิด แต่เราหยุดคิดมันก็จะคิดไปทางกิเลสไม่ได้แต่พอเราคิดไปทางออกมาจากจากสมาธิมาเรามีกําลังเราสามารถบังคับให้มันคิดไปในทางปัญญาได้แต่คิดไปได้สักพักเดี๋ยวกําลังสมาธิหมดพอกําลังสมาธิหมดกําลังกิเลสมันก็จะแรงขึ้นกิเลสมันก็จะดึงให้ไปคิดทางกิเลสตอา น, นั้นก็คิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา เดี๋ยวเผอสักภัพไปคิดถึงเรื่องยิ่จังสุขขังอัตตาแทนคิดตอนต้องก็คิดว่าไม่ใช่ของเราแต่คิดไปคิดมาอา้าวกลายเป็นของเราอีกละ่ะพอคิดว่าเป็นของเราก็ห่วงก็ห่วงแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าคิดแบบนั้นก็ต้องหยุดถ้าถ้าไม่สามารถหยุดความคิดได้มันก็ฟุ้ง ถ้าไม่หยุดหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราสติเราไม่ไ ม, ไม่ชำนาญไม่เก่งไม่คล่องแคล่วว่องไวนีนในเบื้องต้นนี้อย่าเพึ่งไปไปทางปัญญาไปทางสมาธิกับสติก่อนเวลานั่งสมาธิก็ให้มันสงบนานๆด้วยกําลังของสติพอออกจากสมาธิมาแสดงว่ากําลังของสตินี้อ่อนอ่อนลงแล้วถึงต้องออกมา ถ้ากิเลสถ้าสติมีกำลังมากมันไม่มันจะอยู่ได้นานจะหยุดได้ง่ายหยุดได้เร็วพอออกมาจากสมาธิก็แสดงว่ากำลังของสติหมดกำลังไม่สามารถดันใจให้อยู่ในความสงบได้เพราะกิเลสมันจะดันออกมาความโลภความอยากมันจะดันออกมาเวลาออกมาใหม่ๆนี่เรายังพอควบคุมความคิดได้ สติยังมีกำลังเหลืออยู่แต่สักพักหนึ่งถ้าเราไม่สร้างสติขึ้นมาใหม่เดี๋ยวสติก็หมดดัง้ว เ, เราเวลออกจากสมาธิมาถ้าเรายังไม่ชำนาญไม่เก่งทางด้านสมาธิก็ให้มาฝึกสติต่อให้ควบคุมความคิดต่อให้หยุดความคิดต่ออย่าพึ่งไปคิดทางปัญญาพยายามพุโทโธพุโทโธต่อไป หรือดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปเดินจงกรมก็ดูเท้าเท้าซ้ายเท้าขวาก้าววางก้าวยกวางซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าปล่อยให้คิดแล้วก็พอเดินเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ถ้านั่งแล้วเข้าสมาธิได้เร็วนี้แสดงว่าเรามีสติแล้วถ้านั่งก็ยังไม่เข้าเข้ายากยังไม่สงบไ ระดาบว่าสติเรายังหยุดความคิดไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนให้จนกว่าจะสามารถหยุดความคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการ <Yeah. S 1> พอคิดอะไรพอรู้ว่าไม่ดีก็หยุดคิดได้ <Yeah. S 1> พอคิดจะโลภ ก, ก็หยุดมันพอคิดจะโกรธก็หยุดมันพอคิดจะไปทำอะไรก็หยุดมัน yeah. <Yeah. S 1> ต้องฝึกสติให้มากก่อน จนสามารถสั่งให้มันเข้าสมาธิได้ทุกเวลาตอนนี้กําลังจะฟุ้งอ่ะไปนั่งสมาธิปอะพอสั่งให้มันนั่งมันก็นั่งพอนั่งสั่งให้มันอยู่กับพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธสั่งให้มันอยู่กับลมมันก็อยู่กับลมให้มันทําอย่างนี้จนชํานาญก่อนคือเราสามารถควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาเหมือนกับเวลาเราหัดขับรถยนต์ ตอนต้นเราหัดขับรถยนต์เราก็ต้องขับอยู่ในสนามหรือนับตามถนนที่มันไม่มีรถที่มันที่เราสามารถที่จ ะ, ะควบคุมรถได้อย่างง่ายได้ถ้าเราไปอยู่บนท้องถนนเดี๋ยวมีรถตัดหน้าตัดหลังต้องเลี้ยวซะต้องมีอะไรหลายอย่างเราอาจจะทําไม่ทันเราจึงไม่กล้าออกถนนใหญ่เราหัดขับรถในซอย ก่อนเดินในถนนที่เขาจัดไว้ให้หัดขับให้หัดขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังให้หยุดให้วิ่งได้อย่างชํานาญก่อนพอเรามีความชํานาญเรามีความมั่นใจเราก็ให้ออกไปถนนที่มีรถลาวิ่งตามปกติหรือจะลงสนามแข่งรถเลยก็ได้ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมรถได้ ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ให้เดินหน้าถอยหลังได้ให้หยุดได้เวลามีอะไรกระทนหันก็สามารถหยุดได้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยการฝึกสมาธิก็เหมือนกันยังแต่นั่งสมาธิเพราะจิตสงบครั้งแรกนี้ยังไม่ไม่เรียกว่ามีความชำนาญเพราะเวลานั่งครั้งที่สองอาจจะไม่สงบก็ได้ ถ้ายังไม่สงบก็ออกมาก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาทางปัญญาให้ฝึกสติต่อไปให้พุทโธพุทโธต่อไปเฝ้าดูร่างกายต่อไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถควบคุมความคิดได้ <S <S <ย>เวลาไม่ได้อยู่สมาธิก็ควบคุมให้มันอยู่กับพุทโธได้ควบคุมให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เดินกลับมาได้เวลานั่งสมาธิก็สงบได้อย่างรวดเร็วนั่งห้านาทีจิตก็เน่งจิตก็รวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้จนกระทั่งมันมันสามารถทำใจให้สงบได้ทั้งวันทั้งคืนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิพอเราได้ความจำนานแบบนี้แล้วทีนี้เรา ค, ค่อยไปทางปัญญา เพรอเวลาใช้ปัญญามันต้องใช้ความคิดแล้วถ้าคิดไปแล้วเดี๋ยวกิเลสเข้ามาแทรกมาแย่งความคิดไปถ้าเราไม่มีสติไม่มีกําลังก็จะหยุดมันไม่ได้พิจารณาตอนพิจารณาความตายตอนนั้นก็พิจารณาได้เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาแล้วคิดไปคิดมาเกิดความกลัวตายขึ้นมานี่แสดงว่ากิเลสมันมาแย่งไปคิดแล้วเริ่มห่วงแล้วเริ่มวิตกเริ่มกังวล ถ้าอย่างนี้ก็ต้องหยุดความคิดหยุดพิจารณาไปเข้าสมาธิใหม่พักจิตใหม่เพราะว่ากําลังของสติสู้กําลังของกิเลสไม่ได้กิเลสมันจะแปนพาให้เราไปคิดเรื่องอื่นเรื่องไม่อยากตายเรื่องไม่อยากแก่เรื่องไม่อยากเจ็บเรื่องสวยเรื่องงามคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เริ่มเห็นเขาสวยเขางามเขาน่ารักน่าเอามาเป็นแฟน ถ้าถ้าสติมีกำลังก็สามารถสั่งให้มันคิดอาสุภาได้ <Yeah. S 1> คนเรามันไม่สวยจริงๆหรอกสวยแต่ข้างนอกข้างในมีข้างในเหมือนกองขยะ <Yeah. S 1> ข้างในนี่มีแต่ของที่ไม่มีขยะได้ <Yeah. S 1> มีขยกได้ตับอยากได้ไตยอยากได้ลำไส้ไม <Yeah. S 1> อยากได้ปอดอยากได้หัวใจอยากได้กระโหลกศรีรษะ <Yeah. S 1> อยากได้สมอง ไม่มีใครอยากได้หรอกแต่เวลามองไม่เห็นมันก็กลับอยากได้พอมีหนังหุ้มห่ออยู่เหมือนมีกระเป๋าสวยๆเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าข้างในใส่อะไรก็อยากจะได้ถ้ารู้ว่าข้างในเขาใส่อุจจาระไว้ก็ไม่มีใครอยากจะได้ถ้าเปิดกระเป๋าออกมาแล้วส่งกลิ่นเหม็นมีอุจจาร ะ, ะเขาถ่ายอุจจาระเก็บไว้ในกระเป๋า เราเราเห็นกระเป๋าเห็นข้างนอกมันก็ดูสวยดีก็อยากจะได้คนเราก็เหมือนอย่างเนี้เหมือนกระเป๋าสวยๆที่ห่ออุจจาระไว้เวลาเห็นหน้าเห็นตาเห็นรูปเห็นร่างก็น่ารักแต่ไม่รู้หรอกว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีทั้งอุจจาร ะ, ะมีทั้งปัสสาวะมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมีทั้งสเลดน้ำสเลดมีทั้งน้ำลาย มีอะไรแต่ละอย่างที่ไม่มีใครอยากจะได้ถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่เห็นความสกรปรกของร่างกายไม่เห็นความอัปลักษ์ของร่างกายก็จะคิดว่าร่างกายนี้สวยงาม ห, งหลงไหลข้างงครอยากจะอยู่ใกล้ชิดแต่ไม่รู้เรากำลังอยู่กับอะไรอยู่กับกระเพาะลำไส้ อยู่กับปอดอยู่กับตับอยู่กับไตยอยู่กับอุจจระอยู่กับปัสสวะถ้าไม่ถ้าพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าพิจารณาไปทักแป๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องอื่นไปคิดว่าสวยคิ้วสวยจมูกสวยหน้าสวยฟันสวยอย่างนั้นก็กลายเป็นกิเลสไปแล้ว ถ้าคิดแล้วอดคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็เกิดความอยากอยากจะไปหาคนนั้นอยากจะไปหาคนนี้คิดถึงเขาอยู่กับเขาเรามีความสุขแต่ถ้าคิดด้วยปัญญาว่าสุขเดียวเดียวเดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันสักพักเดี๋ยก็ต้องทะเลาะ ก, กันเอง เ, องเดี๋ยก็เบื่อกันเองเวลาไม่ได้เห็นกันก็คิดถึงกันพอได้อยู่ด้วยกันสักพักก็เดี๋ยก็เบื่อนล้ อันนี้ก็เป็นอา น, นิจังนนก็คิดแบบนี้ก็ได้แต่เรามักจะไม่คิดอย่างนั้นพอเราคิดถึงใครเรามักจะเห็นว่าเขาดีไปหมดพอไปอยู่กับเขาถึงจะรู้ว่าเขาไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเดียเพราก็เปลี่ยนไปเวลาเจอกันใหม่ๆต่างคนก็ต่างมีใจต่างคนก็ต่างเอาอกเอ า, เอาใจกันเดี๋ยวพอสักพักเขาก็เบื่อและ้ะเขาก็อยากจะไปทําเรื่องอื่นเขาก็ไม่มาเอาอกเอาใจแล้ว อย่างการการปฏิบัติเท่าที่สังเกตดูตามคําถามที่ถามเข้ามาเนี่ยคือไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจดังนั้นการสังธรรมมันต้องต้องฟังอยู่บ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆฟังหลายหนเพราะมันมีหลายเรื่องแล้วต้องมีรายละเอียดมาก แล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ควรจะถามจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติอย่างถูกต้องนี้มันผลมันเกิดขึ้นได้รวดเร็วที่ผลมันเกิดไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจและเข้าใจผิด นางสมาธิให้จเจริญสติก็ไม่รู้ว่าจเจริญไปทำไมก า, ารเจริญสติก็เพื่อให้หยุดความคิดให้ควบคุมความคิดให้อยู่คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมหรือแม่ง่าให้คิดให้ดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ร่างกายกำลังทำอะไรถ้าเราเฝ้าดูร่างกายทำอะไรเราก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราไปคิดก็แสดงว่าเราไม่ดู เราเราไม่ได้ดูมันละไม่ได้ดูร่างกายและเี่ยการปฏิบัติขั้นต้นนี้ต้องควบคุมการคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้เพราะหยุดความคิดแล้วใจจะสงบใจจะว่างใจจะเย็นใจจะสบายใจจะมีความสุขอยู่เป็นสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่จําเป็นจะต้องไปมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้สัมผัส ไม่จําเป็นจะต้องมีคนนั้นคนนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ยังมีความอยากมีก็เพราะใจมันไม่สงบพอใจไม่สงบมันก็อยากจะหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเมื่อไม่มีความสุขในตัวเองก็ต้องไปหาความสุขที่อยู่ข้างนอกที่เราคิดว่ามันให้ความสุขกับเรามันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขปลอม เวลาอยากจะดูหนังไปดูก็กมีความสุขเดี๋ยวดูเสร็จแล้วความสุขจากการดูหนังก็หายไปไปกินไปดื่มก็มีความสุขพอดื่มเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะไปทำอย่างอื่นต่ออยากเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดอยากดูแล้วก็อยากฟังอยากฟังแล้วก็อยากริมรถนงกลิ่น อยากสัมผัสอยากซื้อข้าวซื้อของอยากไปนู่นอยากมานี่มันมีเรื่องให้อยากอยู่ตลอดเวลาถ้าใจไม่สงบถ้าใจไม่มีความสุขในตัวเองมันก็ตาวิ่งหาความสุขภายนอกแล้วก็ต้องทุกเวลาหาเวลาหาก็ต้องเหนื่อยกว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้ถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปหาเงินก่อนต้องไปทำงานก่อน ไปทำงานหาเงินเก็บเงินไว้ก่อนพอได้เงินก้อนอเตรียมตัวซื้อตั๋วไปเที่ยวได้นะเนีย่ยตอนนี้ก็กลับมาเที่ยวจากปีใหม่เงินก็หมดแล้วตอนนี้ก็ต้องมาทำงานมาเก็บเงินใหม่เดี๋ยวตุด จ, จีนก็ได้หยุดอีกแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวอีกไปเที่ยวเสร็จกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปอยากจะไปเที่ยวอีก ทีนี้ก็ต้องรอสงการรอสงการก็ตอนนี้ก็ทํางานเก็บเงินไปก่อนเวลาทํางานก็ เ, นเหนื่อยเมื่อยล้าทุกข์ยากลําบากนี่แหละเป็นวิธีหาความทุกข์เพราะเราไม่สามารถทําใจเราให้สงบได้เราไม่สามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ถ้าเราควบคุมความคิดความอยากได้นี้เราไม่ต้องไปทํางานให้เหนื่อย มาบวชสบายจะตายไหมบวนี้ไม่ต้องทํางานทําแค่แค่ชั่วโมงเดียวตอนเช้าตื่นขึ้นมาไปบินธบาตชั่วโมงหนึ่งก็ได้ข้าวมาแล้วบินเสร็จก็ไม่ต้องทำอะไรละพักผ่อนหลับนอนได้อยากจะนอนทั้งวันทั้งคืนก็ได้ถ้าถ้าควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้มันก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าควบคุมความคิดความอยากไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องสึกไป อยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันหงุดหงิดลำคาญใจเพ อ, อยากไปเที่ยวก็ไปไม่ได้อยากจะไปทำอะไรก็ทำไม่ได้เป็นพระให้อยู่ในวัดให้อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกไปพวกที่ควบคุมความคิดได้ควบคุมความอยากได้ก็อยู่ได้อยู่วัดได้ไม่ต้องสึกไม่ต้องไปทำงานให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ไม่ต้องเอาเงินที่ได้จากการทำงานไปเที่ยวไปเที่ยวก็เหนื่อยต้องเดินทางไกลกขึ้นเครื่องบินจองที่พักย้ายลงนามเปลี่ยนที่พักจากเมืองนั้นไปเมืองนี้เหนื่อยแบบนี้ไม่เป็นไรมีความสุขแต่ให้อยู่เฉยๆกับไม่เหนื่อยกับกับมีความทุกข์เพราะอึดอัดเอาใจไม่มีความสุขในตัวเอง ถ้ามาควบคุมความคิดได้อยูดความคิดได้ความอ่ดอัดหนวดเย็ดรำคาญใจมันจะหายไปความอยากมันจะหายไปแล้วใจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะมันทำได้ทุกเวลาทุกทุกอายุไขัยร่างกายจะเป็นยังไงจะเจ็บหรือไม่เจ็บจะแก่หรือไม่แก่จะตายหรือไม่ตายใจก็ยังสามารถมีความสุขได้ ถ้าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาร่างกายไม่สบายก็หาความสุขไม่ได้เวลาร่างกายแก่ก็หาความสุขไม่ได้เวลาร่างกายตายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มีร่างกายอันใหม่มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มเลี้ยงร่างกายนี้ใหม่ให้มันจเจริญเติบโตแล้วก็ต้องไปโรงเรียนไปอะไรใหม่ ไปทำนู่นทำนี่ไปจนพอมีความสามารถหาเงินได้ก็ไปหาเงินหาเงินแล้วก็ไปซื้อของที่อยากซื้อซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอยังอ ย, อยากอยู่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเวลาแก่ก็เที่ยวไม่ได้เวลาเจ็บก็เที่ยวไม่ได้เวลาตายก็เที่ยวไม่ได้ ก็ต้องรอไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกเนี่ยนี่คือถ้าเราไม่สามารถมีความสุขในตัวเราได้เราก็ต้องออกหาความสุขนอกตัวเรานอกใจเราก็จะต้องไปมีร่างกายต้องมีเงินมีทองมีของให้เราซื้อมีที่ให้เราเที่ยวเที่ยวเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาไม่ได้เที่ยวก็หงดกิด นำทานใจทุกใจนี่คือความทุกข์ที่พวกเราหากันอยู่ทุกพบทุกชาติโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าเป็นการหาความสุขแต่แท้จริงแล้วเป็นการหาความทุกข์มีพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดที่ทรงค้คนพบวิธีหาความสุขแบบไม่ทุกข์หาความสุขแบบไม่ทุกข์ก็คือเนี่ยการมาควบคุมความคิดด้วยสติ แล้วก็ควบคุมความอยากด้วยปัญญาสตินี้จะควบคุมความอยากได้ชั่วคราวด้วยการควบคุมความคิดพอไม่ไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวความคิดก็จะคิดไปทางความอยากถ้าไม่ต้องการให้คิดไปทางความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนให้เห็นโทษของการคิดไปตามความอยากว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ พอเวลาใจอยากแล้วใจจะไม่นิ่งไม่สงบไ ม, ไม่สบายพออยากอะไรแปร๊บนี้จะรู้สึกบงุดหงิดขึ้นมากังวลกวายกระสับกระสาย <Yes. S 1> คอยจดคอยจ้องดูว่าจะได้หรือเปล่าอยากได้นั่นอยากกินกาแฟเนี่ยก็ต้องคอยหากาแฟมาดื่มถ้าไม่มีกาแฟดื่มก็หงุดหงิดลำคานใจก็ต้องไปดิน้นไปรอนไปหามาจนให้ได้ หาได้ก็ดื่มได้ความสุขก็เกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวเพราะตอนนั้นความอยากดื่มกาแฟมันมันหายไปแล้วเพราะได้ดื่มกาแฟแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักพักความอยากดื่มกาแฟก็กลับมาใหม่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่า น, นี่แหะการทําตามความอยากก็จะได้เจอแต่ของเหล่านี้เจอแต่ความหงุดหงิดความลาคาญใจความเศร้าซ้อยหงอยเหยงา แล้วเศร้าโศกเสียใจเวลาของที่เราได้มาจากเราไปเช mm hmm. ่นอยากได้อะไรของแพงๆเช่นอยากได้แหวนเพชรพอซื้อมาแล้วก็ดี อ, อกดีใจแล้เวเกิดหายไปทีนี้ก็เสีย อ, อกเสียใจ mm hmm. ไม่ใช้ก็เลยก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตาย mm hmm. ของทุกอย่างที่เราหามา พอเราได้มาเราก็รักเราก็ห่วงเราก็ไม่อยากให้มันจากเราแต่ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการจากกันไม่จากเป็นก็จากตายถ้าเห็นอย่างนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยมมันจะทําให้เราทุกข์ของของต่างๆที่เราอยากได้เนยเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องจากเราไปพอจากเราไปแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์้นอย่าไปมีดีกว่าอย่าไปหา อาศัยมันให้ความสุขกับเรามาหาความสุขจากการควบคุมความคิดดีกว่าควบคุมสติควบคุมใจไม่ให้คิดดีกว่าพอจะหยุดคิดความอยากก็จะหยุดตามแล้วถ้ามีปัญญาต่อไปมีความอยากก็ไม่อยากก็จะไม่ทำตามความอยากพะรู้ว่าทำตามความอยากแล้วมันพาให้เราไปทุกข์พาให้เราต้องไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราอยากได้ เวลาไม่มีก็ต้องวุ่นวายกับการหาหามาได้ก็ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาแล้วพอเกิดมันจากเราไปก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจนี่แต่ความทุกข์ทุกตั้งแต่ยังไม่ได้ของที่เราอยากได้พอเวลาอยากได้ก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องไปหามาเวลาหาก็มันก็ไม่ใช่หาแบบได้ง่ายๆอยากจะได้เงินสักก้อนมันง่ายที่ไหน พอจะได้มานี่มันก็ต้องทำงานทำการหรือทำอะไรซื้อขายซื้อขายซื้อของมาขายอะไรน่ี้พอได้มาแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษามไม่ให้มันหายไม่ให้มันหายก่อนที่เราจะเอาไปใช้ถ้ามันหายไปก่อนที่เราไปใช้ก็เสียใจถ้ า, าไปใช้มันก็หมดอีกหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่เนี่ยนี่คือปัญญา ให้เห็นว่าสิ่งที่เราหามันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วก็ต้องใช้มันใช้มันมันก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่แต่สิ่งที่ไม่หมดก็คือความอยากสิ่งที่ความอยากมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ไปทำตามความอยากพอมันอยากเราก็ไม่ทำมันฝืนมันไม่เอาอยากให้ไปหาเงินไม่ไปยอยู่เฉ ย, เฉย นั่งสมาธิไปทำใจให้สงบดีวกว่าใจสงบแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวถึงต้องฝึกสมาธิก่อนเพราะเวลาถ้ามีความอยากแล้วถ้าเข้าสมาธิไม่ได้มันจะทนไม่ไหวทนความอยากไม่ไหวเดี๋ยวมันจะต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้านั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เวลาเกิดความอยากเราก็ทำใจให้สงบเสียแล้วความทรมานที่เกิดจากความอยากก็ จะหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องทำตามความอยากเราก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่อย่างมีความสุขได้นี่คือวิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบไม่มีความทุกข์ถ้าวิธรรมถ้าหาความสุขแบบเรานี่เดี๋ยวจะต้องทุกข์กันเดี๋ยวจะต้องร้องห่มร้องไห้กัน เดี๋ยวจะต้องวุ่นวายกันเวลาสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรามันหายไปมันจากเราไปมันเสียไปมันพังไปแต่ถ้าความสุขแบบพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ต้องใช้อะไรมาให้ความสุขเลอะไรจะหายไปจะเสียไปก็ยังมีความสุขได้ตอนนี้เราจะเดือดร้อนทันทีถ้าของที่เราไ่อยู่นี้จากเราไปหรือเสียไปใช้ไม่ได้ เกิดบ้านไฟไหม้ขึ้นมาไม่มีอยู่ก็เดือดร้อนแล้วแต่ถ้านั่งสมาธิได้ก็อยู่ที่ไหนก็มีความสุขนดไม่มีบ้านก็อยู่โคนไม้ไปอยู่ใต้สะพานไปก็ได้ไม่มีกงินใช้ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะอดตายก็ไม่เดือดร้อน่านใจมีความสงบ ท่านจึงบอกว่าความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงดีกว่าความสุขทุกรูปแบบเพราะไม่มีวันจากเราไปมันจะซื้อสัตย์มันจะรับใช้เราตลอดเวลาถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมาแล้วรู้จักวิธีรักษามันแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่มีวันจากเราไปฉะนั้นมหาหัดฝึกสติก่อนขั้นต้นฝึกสติ ให้ควบคุมความคิดให้ได้จนสามารถหยุดความคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วอยู่ในสมาธิได้นานอย่างน้อยก็ชั่วโมงขึ้นไปนั่งแล้วไม่ได้ต่ไม่ได้นั่งแบบหลับสับะงบคอพับนะนั่งแบบสงบแบบนี้สติเหมือนตอนนี้เหมือนเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้ไม่มีเสียงสมมติเวลาจิตสงบก็เหมือนกับว่าไม่มีใครพูด ธ ร, รมดาจิตนี่พูดกับตัวเองตลอดเวลาความคิดนีนะ่เป็นเสียงภายในเราอยู่กับเสียงนี้ไปตลอดแต่พอเสียงนี้หายไปเราก็จะรู้ว่า เ, ออเสียงนี้หายไปความคิดหายไปแต่ตัวผู้รู้นี่ไม่หายตัวผู้รู้ยังรู้อยู่อย่างนี้ถึงเรียกว่าสมาธิไม่ใช่หายไปทั้งหมดตัวผู้รู้ก็หายตัวความคิดก็หายคือหลับไม่มีสติไม่มีสติรับรู้อะไรเรียกว่าหลับ นั่งแบบนี้นั่งไปถ้าหลายมันก็ไม่ได้เป็นสมาธิเรียกว่านั่งหลับไม่ได้นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิต้องรู้ตัวตลอดเวลาตื่นตลอดเวลารู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้กำลังคิดหรือไม่คิดรู้ว่าตอนนี้อยากหรือไม่อยากตอนสงบมันรู้ว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อยากอะไรพยายามฝึกสติทุก วิริยะวดของการเคลื่อนไหวจะใช้คำบริกรรมก็ได้ลืมตาก็ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุทโธพุทโธไปแข่งก่าความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดคิดเท่าที่จำเป็นคิดว่าวันนี้วันอะไรต้องทำอะไรตอนนี้ต้องไปทำอะไรพอรู้แล้วก็ไปทำตามที่รู้เช่นตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้าก็ลูกเข้าไปเข้าห้องน้ ขณะที่อยู่ในห้องน้ำก็พุทโทพุทโทรไปอย่าปล่อยให้มันไปที่อื่นอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงข้างหน้าหรือข้างหลังอดีตหรืออนาคตให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันไม่คิดให้มันคิดอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่เช่นกำลังล้างหน้าก็ให้มันอยู่กับการล้างหน้าแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันอาบน้าก็อยู่การอาบน้าถ้ามันคิดก็ใช้พุทโธหนึ่งกลับมาประด้ พูดโทพุดโธพูดโทโดยใช้คําว่าอยากคิดก็ได้บางทีพุดโธหยุดไม่ได้อาจจะคำว่าอยากคิดอาจจะหยุดได้อยากคิดอยากคิดอยากคิดหยุดคิดหยุดคิดไม่คิดไม่คิดอลองใช้อย่างนี้ก็ได้เผื่อมันจะได้หยุดอทํานี้เพื่อให้หยุดคิดถ้าคิดก็แสดงว่าไม่มีสติหยุดมัน ถ้ามีสติมันก็ต้องไม่คิดถ้ามันคิดก็แสดงว่าสติไม่มีแล้วก็ต้องสร้างสติขึ้นมใหม่ก็ต้องหยุดคิดหยุดคิดใหม่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดใหม่พุทโธพุทโธใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใบใบมันจะดื้อเราหมอกไม่คิดมันก็คิดอยู่นั่นแล้วก็อย่าไปไม่ต้องอย่าไปท้อถอยท้อแท้เราก็พุทโธไปไม่คิดไปหรือเฝ้าดู ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไปกำลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันไปดึงมันกลับมาที่แปลงฟันดึงมาที่หวีผมเวลาหวีผมก็ดึงกลับมาที่หวีผมถ้ามันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาถ้าดึงมาเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ไปใหม่นี้มันยังไปอยู่เพราะมันมีกำลังมากกว่าสติของเรา แต่ถ้าเราฝึกสติขึ้นไปบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นสติก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้ให้อยู่กับางานที่เราทําหรือให้อยู่กับพุทธโธได้โดยไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถดึงใจได้เราก็ไปเวลานั่งสมาธิเราก็จะดึงให้เข้าสู่ความสงบได้ ให้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้นั่งเฉยๆใจถึงจะนิ่งถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ใจนิ่งไม่ได้เพราะใจต้องควบคุมร่างกายต้องคอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่พอร่างกายนั่งเฉยๆก็ไม่ต้องไม่ต้องสั่งร่างกายให้ทําอะไรใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบถ้าอยู่กับลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอันนี้คือ วิธีขั้นแรกคือการฝึกสติมันฝึกสติให้มากๆถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิก็จะไม่มีวันสงบนั่งปุ๊บ ก, ก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดไปเรื่อยคิดไปจนกระทั่งเดี๋ยวทนนั่งไม่ไหวก็ต้องลุกออกมาแต่ถ้าควบคุมความคิดได้ให้มันอยู่กับพุทธโธได้ให้มันอยู่กับลมหายใจได้มันก็จะค่อยๆสงบ แล้วก็เดี๋ยวก็สงบเต็มที่เวลาสงบตอนสุดท้ายมันอาจจะเหมือนฟุ๊อุ๊ลงไปเหมือนเหมือนตกหลุมตกบอก่อตกจากที่สูงแล้วมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะสบายแล้วก็ไม่คิดอะไรตอนนั้นไม่ต้องพูดโทแล้วมันหยุดคิดละมันหยุดอยากตอนนั้นก็พยายามใช้สติคอยควบคุมให้มันอยู่อย่างนั้นให้ไปนานๆ ถ้ามันจะคิดก็ใช้สติหยุดมันไปหยุดมันไปจนกว่าจะหยุดไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาแล้วค่อยมาฝึกสติต่อ้วยการเดินจงกรมเดินจงกรมหรือมาทํากิจกรรมอะไรก็ให้มีพุทโธพุทโธหรือให้มีสติอยู่กับกิจกรรมที่เราทําอยู่เช่นออกมาแล้วต้องทํางานบางอย่างต้องกวาดบ้านถูบ้านก็ให้อยู่กับ ก, บการกวาดบ้านถูบ้าน ผ, ผู้ที่จะปฏิบัติสติได้อย่างต่อเนื่องนี้ต้องไม่ไปทำงานเพราะถ้าทำงานมันต้องใช้ความคิดแต่ถ้าทำงานบ้านมันไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำอะไรอย่างนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดมากแต่ถ้าไปทำงานทำการจะต้องคิดบัญชีต้องคิดเรื่องวางแผนว่าจะต้องทำอะไรกับงานนี้มันมันก็จะหยุดคิดไม่ได้ ถึงแม้จะมีสติอยู่ความคิดมันก็ยังต้องคิดอยู่แล้วเวลาจะหยุดคิดมันก็จะยากเพรฉะนถ้าอยากจ ะ, จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องให้เป็นกอดเป็นกรรมนี่ต้องไม่ทำงานจะได้มีเวลามาจเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็จะมีเวลานั่งสมาธิเวลาไม่ต้องทำอะไรก็นั่งสมาธินั่งไปให้จิตสงบ พอจิตออกมาจากความสงบเมื่อยอยากจะลุกก็ลุกไปเดินจงกรมเดินยังกระทั่งมันเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความสงบมันจะต่อเนื่องมันจะมีความสงบตลอดเวลาแล้วเราจะควบคุมจิตให้สงบได้ทุกครั้งที่เราต้องการตลอดเวลาถ้ า, ามันสงบอย่างนี้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ไปทางปัญญาได้นะให้ไปคิดทางตายรักได้นะ ไอ้คิดว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็จะทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ดับก็จะทุกข์เวลามันดับเพราะว่ามันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ คิดอย่างนี้กับของทุกอย่างเช่นเงินทองเนี่ยไปสั่งไว้ให้มันมาไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไม่ได้กว่าจะมานี่ก็เหนื่อยเมื่อยละแล้วพอได้มาสั่งให้มันอยู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันถูกกิเลส ด, ดึงไปนะได้เงินมาเท่าไหร่เดี๋ยวความอยากก็มาขอรับเงินเดือนนะขอไปเที่ยวแนะขอไปซื้อข้าวซื้อของนะ้ก็ให้มันไปพอให้มันไปปั๊บพอดูบัญชียอดบัญชีทีเอาหมดจะลนะ รูบดบัตรจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือพอมันไม่มีเงินแล้วก็เดือดร้อนทุกข์แล้วสิทุกๆ อ, อย่ายงเพราะยัง อ, อยากจะใช้เงินอยู่ถ้าเราไม่ใช้เงินได้เราก็สบายแลวเวราอยากจะเที่ยวก็อยากไปใช้มันวเวลาอยากจะซื้อของไม่จำเป็นก็อยากใช้เหมันมีเงินไว้ใช้กับของจำเป็นเท่านั้นเช่นอาหารเวลาไม่มีอาหารกินก็ต้องซื้ออาหาร เสื้อผ้าถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อบ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้ อ, อยาก็ไว้ใช้เวลาไม่สบายเท่านั้นเองถ้าใช้กับของจำเป็นก็ไม่ต้องใช้เงินมากเมื่อไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่ต้องทำงานมากจะได้มีเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธิได้มากเมื่อได้ฝึกมากได้นั่งมากก็จะมีความสุขมากก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ ใช้แต่เฉพาะร่างกายเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะเลี้ยงดูร่างกายของเราก็ให้คนอื่นเลี้ยงดูก็ได้ไปบวชเลยไปบวชแล้วคนอื่นเขาก็จะเลี้ยงเราเขาจะสนับสนุนให้เรามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ให้เราหลุดพ้นให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อที่เราจะได้เอาธรรมะมาสอนคนอื่นต่อไป อันนี้คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยต้องฟังบ่อยๆเพราะฟังหนเดียวนี้มันจะจําไม่ได้หมดแล้วบางส่วนบางค่ะบางตอนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเวลาฟังบางทีก็ไม่จิตใจก็ไม่ได้ฟังตลอดเวลาฟังไปเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่พอกลับมาฟังอีกทีก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยคือปัญหาเรื่องของการสื่อสาร เรื่องของการสั่งสอนถ้าคนฟังฟังไม่ต่อเนื่องฟังแล้วเดี๋ยวก็จะขาดตอนพอขาดตอนแล้วก็จะไม่เข้าใจแล้วพอเอาไปปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้ ว, วปฏิบัติไม่ถูกก็เลยไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลก็เลยเกิดความท้อแท้เมื่อไหร่ไม่ปฏิบัตินีกว่าไปเที่ยวดีกว่ า, ไ ป, ววาไปเที่ยวมันได้ความสุขแน่แน่ ถึงแม้จะเป็นความสุขชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ได้เที่ยวดีกว่ามาพุโทโธพุโทโธแล้วก็ไม่ได้อะไรพุโทโธไปแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามควบคุมกึ่ใจให้เวลาฟังธรรมก็ต้องมีสติอยู่การฟังธรรมอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปดูนั่นดูนี่ให้นั่ง ร่างใจฟังเวลาฟังธรรมนี่นั่งหลับตาฟังก็ได้จะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจไปถ้าลืมตาเดี๋ยวเห็นคนเดินไปเดินมามันใจมันจะไปแล้วมันจะไปกับคนที่เห็นนะนั่งฟังธรรมก็นั่งหลับตาก็ได้จะได้ฟังอย่างเต็มที่เวลาฟังก็ให้จดจ่อฟังอยู่กับเสียงธรรมอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถ้าคิดแล้วก็จะฟังไม่ดูเรื่องเหมือน เหมือนฟังฟังอีกคนหนึ่งละไม่ได้ฟังทำฟังความฟังความคิดแทนเราฟังความคิดมันก็คิดว่าเดี๋ยวไปไหนดีเดี๋ยวไปกินอะไรดีเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนดีตอนนั้นฟังทำที่ได้ยินก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่เข้าไปในใจพไม่ได้มีความตั้งใจที่จะดึงทำนั้นเข้ามาในใจนั่นเองแล้วอะไฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังฟังแบบรูแบบครึ่ง่งกลางกลาง ก็เลยรู้แบบผิดผิดถูกถูกไปพอไปปฏิบัตินั้นก็เลยปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกมันก็เลยไม่ได้ผลมันจึงทำให้รู้สึกว่ายากความจริงมันไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจฟังแล้วเราเข้าใจทุกคำพูดเนี่ยหรือถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้บางทีก็ไม่กล้าถามอีกไม่ยอมถามอีกไม่เข้าใจก็ไม่ยอมถามกลัวจะ โจกเขาว่าโง่อคนที่ถามเนี่ยเรียกว่าคนฉลาดรูด้ป่ะคนฉลาดก็คือคนอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเมื่อตอนเองไม่เข้าใจก็ต้องถามเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าคนโง่คนอย่างนี้เรียกว่าคนฉลาดคนที่ไม่กล้าถามเนั่ยแหละคนโง่กลัวจะว่ากลัวคนอื่นจะว่าเราโง่ก็เลยไม่กล้าถามคนที่ไม่กลัวเนี่ยคนที่อยากจะ รู้เนี่ยต้องไม่กลัวต้องกล้าถามกล้าคิดถ้าคิดเองไม่ได้ก็ถามคนอื่นเอนด้วยอาจจะคิดเองก่อนก็ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถ้ายังคิดไม่ออกก็ลองไปถามคนที่เขารู้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เกิดขึ้นอพอเราได้ฟังแล้วก็อ๋อเข้าใจนะ่างคนชอบถามว่าทาไงถึงจะหยุดความโกรธได้ชอบโกรธอยู่เรื่อย ก็ความโกรธก็เกิดจากความอยากเราเนี่ยอยากอะไรแนละ้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธ ถ, ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่โกรธอยากกินกว๋วยเตี๋ยวข้าวข้าต้มมาให้ก็โกรธนะเพราะไม่ได้ดังใจอยากอยากไปเที่ยวเขาไม่ให้เที่ยวให้ทำงานอย่างนี้ก็โกรธนะอยากจะลา ง, งานไปเที่ยวทักสามวันสี่วันก็ว่าไป ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ไปก็โกรธคนที่ไม่อนุญาตนแต่ถ้าไม่ได้อยากจะไปเที่ยวไม่อยากจะลางานเขาไม่ให้หยุดก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ไม่โกรธอยากให้แฟนไม่สูบบุหรี่พอเห็นแฟนสูบบุหรี่ก็โกรธอยากให้แฟนไม่ดื่มเหล้าพอแฟนดื่มเหล้าก็โกรธถ้าไม่ไปอยากให้เขาดื่มเหล้าไม่ให้เขาไม่ดื่มเหล้าเขาจะดื่มเหล้าเราก็ไม่โกรธก็ปล่อยเขาดื่มไป เราอยากจะสูบบุหรี่ก็ปล่อยเขาสูบไปเราก็จะไม่เกิดนี่คือเรื่องของเหตุของผลการตั้งธรรมนี่มันเป็นเรื่องของเหตุของผลแสดงเหตุว่าทําอย่างนี้แล้วจะได้อะไรไม่ทําอย่างนี้แล้วจะไม่ได้อะไรเช่นไม่ทําบาปแล้วจะได้อะไรไม่ทําบาปก็จะได้ไม่ไม่ทุกข์สิเวลาทําบาปแล้วมันทุกข์ใจมันจะทุกข์ เวลาไปขโมยเงินของคนอื่ น, แ ล, น, น, น, นแล้วมันทุกข์แล้วถึงแม้จะดีใจตอนต้นได้เงินมาก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่จะถูกเขาจับหรือกลัวเขาจะมาจับต้องคอยหลบหลบซ่อนๆเวลาเห็นตำรวจเดินมาก็ตกใจแล้วทั้งทั้งที่ตำรวจเขาไม่ได้มาจับเราเขาไม่รู้เรื่องของเราสักหน่อยเองแต่เห็นตำรวจก็กลัวแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่ได้ขโมยของไม่ได้ทําผิดอะไรจะไม่กลัวจะเฉยเฉยจะไม่ทุกข์ ในเรื่องของเหตุของผลความทุกข์ของเราความสุขของเราเกิดจากการกระทาของเราทําบุญทําความดีแล้วสุขไหมวันนี้ได้ช่วยคนนั้นคนนี้เห็นขอทานมาไม่มีข้าวกินซื้อข้าวให้เขากินเหนเขากินข้าวแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาได้ช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานที่บ้านช่วยล้างจานช่วยซักผ้าให้พ่อให้แม่ทาแล้วก็มีความสุข พ่อแม่จะได้ไม่เหนื่อยพ่อแม่จะได้มีเวลาพักบ้างเ <Ride. S 1> วลาเราทำความสุขให้กับค น, นอื่นแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเนาีนย่นยนี่เรื่องของเหตุของผลธรรมะเป็นเรื่องของเหตุของผลมีทั้งเหตุที่ดีและเหตุที่ไม่ดีหเหตุที่ไม่ดีก็ต้องละทำอะไรแล้วทำให้เราไม่สบายใจอย่าไปทำ ทำอะไรแล้วทำให้เราสบายใจทำไปเลยแต่ต้องสบายใจแบบไม่เป็นไม่ไม่เกิดโทษกับคนอื่นเช่นสบายใจแบบเกิดโทษไปขโมยเงินคนอื่นแล้วสบายใจได้เงินไปใช้อย่างนี้ไม่ได้แล้วมันไม่สบายใจเป็นตลอดเดี๋ยวมันก็ไม่จะไม่สบายใจพอมีคนจะมาตามจับเราเนี่ยจับเราไปลงโทษเราก็จะไม่สบายใจวิธีทำให้ ทำอะไรที่ทำให้สบายใจก็ต้องทำที่ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเรียกว่าบุญทำให้คนอหนื่อยก็มีความสุขนั่นแหละแล้วมันจะทำให้เราสบายใจถ้าทำให้คนอหนื่นยเขาเดือดร้อนเราก็จะไม่สบายใจเราก็จะทุกข์นี่คือเรื่องของการฟังธรรมต้องพยายามตั้งใจฟัง แล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามได้อ ย, อยากเก็บความสงสัยไว้<ม>ถ้าถามแล้วเขาตอบไม่ได้ก็ต้องไปหาไปถามคนอื่น<ม>แต่ถ้าไม่ถามเราก็จะไม่รู้<ม>ถ้าเราคิดไม่ออกหาคำตอบไม่ได้าถามคนอื่นก็ไม่ได้คำตอบถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ก็อาจจะ ลืมมันไปก่อนก็ได้ถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่คอขาดบาตายก็ลืมมันไปก่อนเดี๋ยวรอเวลาเหล๋ยต่อไปจิตเรามีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้นต่อไปเราอาจจะได้คำตอบก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้คำตอบ <Yeah. S 1> ก็อย่าไปแบกมันอย่าไปทุก์กับคำถาม <Yeah. S 1> อย่าไปอยากให้ได้คำตอบเพราะความอยากได้คาตอบก็จะทำให้เราทุกข์ได้ก <Yeah. S 1> ็ยัง เมื่อยังไม่ได้คำตอบก็รอไว้ก่อนความอยากนี้ทำให้เราทุกข์อยากแล้วเราไม่ได้เราจะทุกข์เราจะเสียใจเราจะโกรธได้ฉะนั้นต้องหมั่นศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้เรามีสื่อธรรมะเยอะแยะฟังได้ทุกเวลาอ่านหนังสือธรรมะได้ทุกเวลาดู ธรรมะได้ตลอดเวลาเอาเวลาที่เราว่างนี้มาศึกษาธรรมะดีกว่าเพราะจะทําให้เราฉลาดจริงจะเพราะความรู้ของธรรมนี้เป็นความรู้ที่ทําให้เราตัวรอดจากความทุกข์ได้แต่ความรู้ทางอื่นนี้เป็นความรู้แบบท่วมหัวตัวไม่รอดไม่สามารถทําให้เราลอดพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ ความรู้ทางโลกนี้ถึงแม้จะเป็นระดับปริญญาเอกก็ไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้แต่ความรู้ของธรรมะนี่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ดังนั้นก็ขอให้เราสื่อสารกันขอให้เราสื่อสารกันเข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องถามให้เข้าใจแล้วเราจะได้ทำให้ถูกต้อง จะได้ไม่เสียเวลาแล้วจะได้ผลที่เราต้องการดังนั้นขอให้เราศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เราจะไปปฏิบัติถ้ายังไม่เข้าใจก็ศึกษาให้เข้าใจก่อนเราเข้าใจแล้วก็นำอาอกไปปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลถ้าไม่เข้าใจไปปฏิบัติแล้วมันจะไม่ได้ผลเพราะมันจะปฏิบัติไม่ถูก อ่นอนอนั่งสมาธิจิตสงบปั๊บก็พิจารณาเลยอย่างนี้ไม่ถูกอ่ะอานแล้วนะก็คิดว่าพอพอสมควรแก่เวลาในช่วงแรกนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง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 สัพพโรโขวินาสตมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีริสานิจังมุธาปจายโนจตารุธรมมวันติอายุวันโอสุขังภาลั วันนี้มาได้เลยอ่าโอเคดีสุขภาพดีแข็งแรงต้องรอฟังผลนะพี่ไม่ต้องรอก็รู้เนี่ยตอนนี้เราก็สบายอยู่แล้วใชไมไม่เจ็บไม่ไข้อยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วสรวจก็ตรวไปอย่างนั้นนะฮัลโหลก็จะได้รับสาได้ดี ใช่ตามสภาพของมันไม่ไปวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ะมันต้องไปสักวันอย่างนะอย่าไปทุกข์กับมันเอาเฉยหยิบหนังสือซีดีได้นะอยากจะได้ก็เอาไปไปศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติให้ถูกตั้งแล้วผลก็จะเกิดผลมันอยู่ที่ตัวเราเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าหรอก อย่าไปคิดว่าไม่มีพอพระทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติไม่ได้ผลนะพระพุทธเจ้าก็อยู่ในหนังสือธรรมะนี่แหละวันนี้ทางเฟ o บุ๊ o ยูทูบเข้ามาเท่าไหรนนะ่วันนี้เฟ e บุ๊ k สูงสุดสามร้อยเก้าสิบเจ็ดค่ะยูทูบมีหนึ่งร้อยสามสิบสองแล้วก็วิทยุมีห้าค่ะก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยสามสิบสี่ เดี๋ยวเรมีห้าสิบกว่าจังหวัดแล้วเลยที่ติดตามห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดจังหวัดแล้วสามสิบสามประเทศสามประเทศมีใครอยากจะถามอะไรไหมไอ้เมเ่อ เ, เนี่ยเขามาไกลเนี่ยเขามาเพื่อถามถูกไหมเขาไม่เข้าใจอะไรเขาก็ถามเนี่ยพวกเขาเขาเห็นเจริญกับเราอย่างเขาเห็นลูกแอปเปิลหล่นลงมาเขาก็ถามว่าทําไมมันไม่ลอยขึ้นไปทําไมตกลงมา เขาก็เลยได้พบว่าอ๋อมันมีแรงดึงดูดของโลกดึงให้มันตกลงมาถ้าเขาอยากจะให้มันลอยเขาก็ต้องถามวิธีมีแรงอะไรดึงให้มันดึงขึ้นไปนก็เลยสร้างจัลรวดนะสร้างจัลรวดจัลรวดไม่มีแรงดันขึ้นไปมากกว่ามันก็บมันก็ลอยขึ้นไปได้เนี่ยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เกิดจากคนที่ชอบถามทาไมเป็นอย่างนี้ทาไมเป็นอย่างนั้น แล้วก็พยายามหาคําตอบกันแล้วก็ได้ความตอบก็ได้ความรู้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เพราะพระพุทธเจ้าเราก็ชอบถามเหมือนกันทําไมเราต้องทุกข์ด้วยทําไมเห็นความแก่แล้วทําไมต้องทุกข์เห็นความเจ็บแล้วทําไมต้องทุกข์เห็นความตายแล้วทําไมต้องทุกข์คนไปคนมาก็ว่า อ, อ๋อเพราะมันอยากอยากไม่แก่ใช่ไหมพออยากไม่แก่พอมันแก่มันก็ทุกข์ถ้าไม่อยากไม่แก่ถ้าอยา่างมันไม่มันแก่มันก็ไม่ทุกข์ ถ้าไม่อยากไม่ตายเวลามันตายมันก็ไม่ทุกข์จะทำไงให้ไม่ไม่อยากก็ต้องนั่งสมาธิหยุดความอยากพุโทโธพุโทโธไปเวลามันอยากก็พุทโธพุทโธไปมันก็อยากมันก็หยุดความอยากในชั่วคราวถ้าอยากจะหยุดความอยากได้อยา่างถาวรก็ต้องดูความจริงอยากให้มันไม่แก่แล้วมันไม่แก่ได้หรือเปล่ามันก็แก่อยู่ดีแล้วไปอยากทำไมอยากให้มันทุกข์ไปเปล่าเปล่าใช่ไหม อยากก็อยากก็ไม่แก่ไม่อยากก็แก่แต่อยากเราทุกไม่อยากเราไม่ทุกเอายังไงดีกว่าก็ไม่อยากดีกว่าต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าของที่เราอยากมันเราไปห้ามมันไม่ได้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายก็ให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปแล้วอยากไปอยากสักอย่างเราก็ไม่ทุกข์กับมันเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยตัดสั้เนี่ยอริยสัจสีว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเอง อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ทุกข์ละพอไม่ได้ก็เสียใจถ้าได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่ละมันก็อย่อยากไปเรื่อยๆพอตายไปก็ต้องกลับมาเกิกเกดใหม่เพราะไอ้ตัวอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวอยากมันอยู่กับใจใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ตายไปกับร่างกายมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่สนุกไหมลนะ่ะตอนเป็นเด็กเนี่ยต้องทานต้องอะไร ต้องเรียนนู่นไปโรงเรียนไปอนุบาลต้องอะไรเยอะแยะไม่หมดแล้วทําเป็นยังไงเลี้ยงดูร่างกายดีขนาดไห น, นเดี๋ยวเมื่อแก่เจ็บตายแกเจ็บตายก็กลับมาเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็กลับมาเกิดอยู่เลยพระพุทธเจ้ธธาถึงบอกทุกข์ก็คือการเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกัน mm hmm. แล้วเหตุที่ทําให้เรามาเกิดก็เพราะความอยากนอยากดูอยากฟัง อยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายพอร่างกายนี้ไม่ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่เพื่อเราจะได้สัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสต่อไปค่ะาล้วทีนี้รูปได้อะไรจากการนิ่งนั่งสมาธิได้ ลูกรู้สึกว่าปกติแล้วลูกเป็นคนที่กลัวอ่การเดินทางและการนัรถถ้าใครขับรถที่แบบว่าไม่ใช่สไตล์ลูกทหาระะลูกจะรู้สึกนั่งไม่ไม่เลือนสูงคะ่ ะ, ะจะกลัวกังวลไปหมดแล้วทีนี้พอลูกผ่านตรงที่ว่านั่งสมาธิไปครึ่งชั่วโมงะคะ่ะลูกรู้สึกว่ามันมันหยุดได้เยคะ่ะมันมีความกลัวไปได้อ่ะจะไม่มีความรู้สึกกลัวเลยะ ค, ะค่ะเพราะมันลืมมันไม่คิดถึงคนขับอืมนั่นแหละ ค, ความกลัวก็จากความคิดของเราจากการไปรับรู้เรื่องที่ทำให้เรากลัวพอเราดึงใจออกจากเรื่องนั้นไปมันก็หายกลัวบเราลูกคือใช้พุโทโธกัน่ ะ, ะ, ะนั่นแหล ะ, ะพุโทโธเนี่ยดีโกรดก็ได้โกรกดก็ดำมันได้กวดก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวลืมคนที่ทำให้เราโกรดมันก็มันก็หายโกรดตอนนี้ไม่มีความโกรดเนี่ยเพราะเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรด เวลามีอะไรปัญหาใครดึงจงใจออกจากปัญหานั้นด้วยพุโทโธก่อนถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นถ้าใช้ปัญญาเป็นกขาบอกว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างเนี้ยเขาจะขับรถแบบนี้ก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่อยากก็ไม่ให้อยากให้เขาขับก็อย่าไปให้เขามาขับหรือเราเปลี่ยนรถซะถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทําใจก็ต้องทําใจพุโทโธไปหรือยอมตายไปอย่างมากก็แค่ตายเอ เกิดมาแล้วต้องตายให้คิดอย่างนี้มันก็จะสบายใจอย่างเมื่อเมืสองวันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาผ่านความเจ็บของร่างกายแบบหังจากนั้นเขปลงเขายอมตายเขาตอนนี้เขาไม่ค่อยกลัวอะไรละพอยอมตาย้ะอย่างแล้วทีนี้มันไม่ค่อยกลัวอะไรละไม่มีอะไรน่ากลัวที่เรากลัวก็คือกลัวความตายกลัวความเจ็บสองตัวนี้เท่านี้พอเรายอมเจ็บยอมตายแล้วไม่มีปัญหายอมแก่ได้แล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาแล้ว นะเห็นถ้ายังไม่ยอมก็ใช้พุโทโธดึงมาให้ก่อนก็ได้ถ้าใช้ปัญญาได้ก็บอกเกิดแล้วมาแล้วเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนห้ามไม่ได้ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่ถึงเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายไม่มีใครห้ามได้พระพุทธเจ้ายัางห้ามร่างกายของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เลยแต่พระพุทธเจ้าไม่ทุกข์เพราะพระพุทธเจ้ายอมยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตาย ไปปฏิบัตินะใช้ไปสติเนี่ยถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนปัญญาก็คือทุกอย่างมันต้องจบเกิดแล้วต้องดับห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไปถ้าอยากจะไปห้ามมันแล้วมันจะทุกข์ล้วก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีคาถามทางบ้านมีไหมคาถามจากคุณศรีสิริ ขณะลูกนั่งสมาธิมีเสียงว่าสิ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาลูกต้องทำอย่างไรหรือคะก็มาสอนใจเลยว่าต้องอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดเราก็ไปห้ามมันไม่ได้มันจะดับก็ไปห้ามมันไม่ได้แล้วอะไรเกิดก็ต้องดับให้คิดอย่างนี้ต่อได้แฟนมาเดี๋ยวแฟนก็จากเราไปได้ลูกมาเดี๋ยวเราก็ต้องจากลูกไปไม่มีอะไรที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดมีการเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เราก็จะไม่เสียใจที่เราเสียใจเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะต้องจากกันพอจากกันก็เลยเสีย อ, อกเสียใจคําถามจากคุณดวงจำปาได้ระหว่างทําสมาธิใกล้หลับเคิมแต่มีสติรู้กําลังจะหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นจุดตรงนี้สติดีมากให้หาสภาวะนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะกึ่งเรากึ่งตื่นก็แสดงว่าสติไม่ค่อยดีนะ ถ้าสติดีมันจะต้องไม่ไม่มีเกิดหลับเกิงตื่นมันจะต้องตื่นตลอดเวลา mm hmm. แต่บางทีมันก็เคลิ้มได้ใหม่ๆเพราะสติมีกำลังน้อยแล้วเวลาจิตมันสงบมันก็จะทาให้เราเคล้มก็ mm hmm. พยายามดึงกลับมาใช้บริกรรมพุทธโธพุทธโธให้มันตื่นอย่าให้มันหลับ mm hmm. มลดำใครรู้จักวิธีแก้มลดำไหม <laughs> ที่ไม่มีเราไม่ได้เรียนเรื่องมลดำ <laughs> คำถามจากคุณซีซั่นค่ะบางครั้งเวลาปฏิบัติใจฟุง้งซ่านต้องเอากดตายรักความไม่เที่ยงมาพิจารณาก่อนถึงสงบได้หรือเปล่าคะก็ลองดูสิถ้าไม่ได้ก็ใช้พุทธโธง่ายกว่าแต่ถ้าใช้ตายรักก็ได้เช่นเราฟุง้งซ่านเพราะเรากังวลกับสามีหรือลูกหรือภรรยาเขาไม่สบายเขาจะตาย <Yeah. S 2> เนี่ยก็จะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้ก็ใจเลยเครียด mm hmm. ไม่สงบ ก็พิจารณาเลยว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายกันไม่ช้าก็เร็วคราวนี้อาจจะตายก็ได้ไม่ตายก็ได้แต่เราก็ไปสั่งไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราก็ต้องทำใจตายก็ตายถ้าไม่ตายก็หายคิดแค่นี้เราก็จะสงบได้อ น, นี้เรื่องการใช้ปัญญาแต่ถ้าใ ช, ใช้ใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธไปก่อนพุโทโธพุธโทโธเพื่อหยุดคิดถึงเรื่องที่ทาให้เรากังวล พอเราไม่คิดแล้ว เ, เดี๋ยวก็หายกังวลแต่ถ้าเราหยุดหยุดหยุดพุทธโธเมื่อไหร่เดี๋ยวก็กลับไปคิดใหม่ก็จะกังวลขึ้นมาใหม่เราก็ต้องพุทธโธใหม่แต่ถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเราก็จะกลับไปคิดกี่ครั้งเราก็จะไม่กังวนลนะเพราะเรารู้แล้วว่ามันทำอะไรไม่ได้เรื่องของความเป็นความตายถึงเวลาใครจะเป็นใครจะตายเราไปทำอะไรไม่ได้ ครอบวของผมมีอาชีพเลี้ยงหมูขายแต่ไม่ได้ฆ่าการทําอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อขายจะเป็นบาปกรรมไหมครับเขาจะผูกเวรผูกกรรมกับเราไหมครับอ๋อไม่หรอกเราเลี้ยงเขาเขาเราให้อาหารเขาเขาไม่โกรธเกียดเราหรอกเขาก็ไปโกรธเกลียดคนที่ไปฆ่าเขาท่านเองเพียงแต่ว่าทําอาชีพนี้มันไม่ดีตรงที่ไปส่งเสริมให้เขาได้ฆ่าอย่างสบายถ้าเราไม่เลี้ยงหมูเขาก็ต้องไปจับหมูไปหาหมูมาฆ่าก็จะยากหน่อย แต่ถ้าเราเรียกให้เขามันก็ง่ายหน่อยมันก็ไม่ควรจะทําอาชีพที่ส่งเสริมการฆ่ากันเรียกว่าไม่ใช่เป็นสัมมาอาชีพกระผมสงสัยว่าชาติที่แล้วเราเคยทํากรรมใดไว้ถึงทําให้ชาตินี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับราไส้กระเพาะอาหารการข่าวถ่ายไม่ปกติพอจะมีทางช่วยให้กรมกรรมนี้เบาบางได้บ้างไหมครับคือเรื่องของ ความไม่สบายทางร่างกายมันมีทั้งกรรมและมีทั้งกรร ม, มพันุ์เช่นถ้าได้พ่อแม่ที่มีปัญหาเรื่องทางลำไส้มันก็ถ่ายทอดมาให้กับเราได้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไปอันนี้เราก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ว่าในอดีตเราเคยไปทําอะไรมาจึงทําให้เรามาได้โรคแบบนี้แตบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของกรร ม, มพันธุ์ พ่อแม่มีโรคลําไส้อยู่แล้วพอมีลูกก็ถ่ายทอดโรคนี้มาให้กับลูกได้ก็เรียกก็เป็นเรื่องกรรมมพันุ์เรื่องกรรมก็จะเป็นเพราะว่าเราอยากมาเกิดต้งพอมาเกิดมันก็เลยต้องมีร่างกายยิ่พอมีร่างกายก็มาได้ร่างกายที่ไม่ดีด้านร่างกายของพ่อของแม่ที่ไม่ดีที่มีโรคติดมาด้วยมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของความอยากอยากกินอยากกินอยากเที่ยวอยากดื่มมันก็ต้องมีลําไส้มีกระเพาะใช่ไหม ทำไมมีกระเพาะลำไส้กินได้ะกินได้ดื่มได้嘛โอ๊งนถ้าถ้าไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้ก็อยากอยากไปอยากกินอยากไปอยากดื่มตัดความอยากสิมันจะได้ไม่ต้องมามีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายคำถามจากคุณสิริรัตน์กาบขอเรียนถามเรื่องการนึกถึงความตายเจ้าคะ่ะ พระอาจารย์บอกว่านึกถึงความตายจะได้ปัญญาด้วยถ้าพุโทโธอย่างเดียวจะได้สมาธิเราจะนึกถึงความตายได้อย่างไรใช้คําบริกรรมตายตายตา ย, ตายแทนพุโทโธหรือเปล่าคะก็ได้เราจะได้ไม่ลืมไงว่าเราต้องตายเราต้องตายเราต้องตายเราต้องตายถ้าคิดอย่างนี้แนละมันก็จะทําให้เราไม่หลงว่าไม่หลงคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เราเตรียมตัวตายเตรียมตัวรับกับความตาย แล้วพอเจอความตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเราต้องตายเราก็จะไม่เกิดความอยากไม่ตายขึ้นมาที่เราอยากไม่ตายเพราะเราคิดว่าเราจะไม่ตายกันแต่พอเรารู้ว่ายัางไงยังไงก็ต้องตายอยากหรือไม่อยากก็ต้องตายเราก็จะไม่อยากเราก็เฉยๆไปยอมรับความตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้คิดอะไรอยู่คาว่าตายตายตา ย, ตายจิตก็สงบได้เหมือนพุโทโธพุธโทโธคาถามสักคุณเรืองฤทธ เมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขเป็นบุญไหมครับพระอาจารย์เอ่าบุญก็คือความสุขใจเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วใจก็สงบเพราะธรรมนี้จะไปกล่อมใจให้หยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดอยากชั่วคราวฟังแล้วก็มีความสุขใจขึ้นมาก็าเป็นบุญบุญแปล ว, ว่าความสุขใจความสุขใจนี้หรือบุญนี้เกิดนั่นเกิดได้หลายวิธีเกิดได้ทั้งสิบวิธี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 มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยความเห็นว่ามีครวาหรือว่าต้องตายก็จะได้ไม่เผยเผยความจริงไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปไม่อยากตายพอไม่มีความไม่อยากตายก็จะไม่ทุกข์ก็เป็นบุญคือนี่คือบุญต่างๆมันทําให้เรามีความสุขใจคําถามจาก<น>คุณเอคะ่ะ นั่งสภานั่งสมาธิภาวนาพุโทโธตามลมหายใจนั่งไปสักพักแล้วลมหายใจเกิดหายไปก็เลยนั่งรู้หนอรู้หนอไปเรื่อยๆได้ไหมคะได้ให้รู้เฉยๆไปอย่าให้คิดก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาต่อไปคําถามจากคุณปวีนปวีณีค่ะพระอาจารย์คะในเวลานั่งสมาธิถ้าตัวรู้ทํางาน จะเป็นลักษณะในการรู้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ถูกต้องหรือเปล่าคะหรือว่าเราหลงคิดว่าเราได้สมาธิแล้วเพราะตอนที่โยมนั่งเหมือนรู้ว่าตอนตอนที่นั่งคิดอะไรบ้างบางทีโยมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวรู้หรือตัวคิดขอพระอาจารย์ชี้แนะค่ะอ๋อเป็นตัวสติรู้ว่าเรากําลังคิดอยู่นี่เรียกว่ามีสติก็ต้องหยุดคิดเราใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าไปดูความคิด ดูความคิดเฉยๆมันจะไม่หยุดคิดให้มันหยุดคิดก็ต้องให้มันมีพุทโธพุทโธไปพอเรารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่เราก็ใช้พุทโธพุทโธไปกลัวไม่รู้เสียบางทีนั่งคิดไปกับตัวเองนั่งไปคิดไปคิดไปนั่งสมาธิไปแต่นั่งคิดไปคิดไปคิดว่านั่งสมาธิอยู่แต่ไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ความคิดเมันไม่หยุดเลยไม่เกิดความสงบขึ้นมาถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าออกกาลังคิด คิดเราก็อยากเราก็กลับมาที่พุโทโธพุโทโธไปทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราคิดแล้วก็แสดงว่าเราไม่ได้พุโทโธเราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธไปแล้วอย่างนี้เดี๋ยวพอจิตสงบแล้วตัวรู้จึงถึงจะโผล่ขึ้นมาตัวที่รู้รู้เฉยๆนี่จะโผล่ขึ้นมาคําถามจากคุณจงแจงค่ะนั่งสมาธิแล้วยังไม่เคยได้อัปปนาแต่มีความสุขโชยมาเรื่อยๆนั่งได้นั้นขึ้น รู้สึกว่าออกจากสมาธิแล้วอุเบกขายังอยู่เพราะพยายามมีสติให้ได้ตลอดวันและนั่งสมาธิทุกวันต้องเพิ่มอะไรไหมคะก็นั่งให้มากๆนั่งให้นานๆแล้วก็ให้มีสติต่อเนื่องให้มากๆเดี๋ยวจิตมันก็จะเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าเข้าไปถึงถึ ง, ถงอั ป, ปนาได้พยายามฝึกสติให้มากควบคุมความคิดไว้อย่าให้คิดเวลาออกจากสมาธิมา ก, ก็อย่าให้คิดคําถามจากคุณเคอารค่ะ บุญกับกุศลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะบุญแปลว่าความสุขใจกุศลแปลว่าความฉลาดต่างกันกุศลคือปัญญาค่ะคำถามจากคุณชุติมาค่ะเมื่อลูกได้นั่งภาวนาจิตไม่คิดอะไรรู้สึกสบายดีไม่ค่อยส่งออกนอกพอส่งออกนอกก็ดึงเข้ามาได้เร็วขึ้นจนเกิครบชั่วโมงเริ่มปวดขามากยังทนไม่ไหวค่ะพอเลิกคุบก็หายปวดทันที คำถามจิตยังไม่เป็นสมาธิเลยใช่ไหมคะและการที่จิตตกลงอย่างรวดเร็วนี้แต่ไม่แต่ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขก็ก็ไม่ใช่เข้าสู่สมาธิใช่ไหมคะใช่เพราะเราไม่มีสติเราไม่มีสติดึงจิตไว้เราต้องใช้พุทโธดึงกลับมาเวลาจิตอยากจะออกก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธบริกรรมไปเวลาเจ็บก็บริกรรมไปอย่าไปสนใจความเจ็บเดี๋ยวถ้าทาบริกรรมชนะความอยาก จิตก็จะสงบแล้วความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจคําถามจากคุณดอกแก้วล้างห้องน้ําไม่รู้ว่ามีแมลงสาบอยู่ใต้ท่อน้ําพอเทน้ํำยาล้างห้องน้ําลงไปแมลงสาบวิ่งออกมาตายสามตัวค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้าไม่รู้ไม่ได้มีเจตนาข้าวหน้าก็ลองเทน้ําเป่าๆเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งเทน้ํายาอย่างน้อยถ้าโดนน้ามันก็ยังไม่ตายไม คำถามสักคุณดูฟูนะคะลูกติดยาจะทําอย่างไรคะก็ให้เลิกสิเอายาอย่าให้เขามียาติดอย่าให้เงินเขาไปซื้อยาปล่อยให้เขาดิ้นลงแดงไปเดี๋ยวพอเขาหายแล้วเขาก็จะได้เห็นโทษของการติดยาถ้าเรายัางให้เงินเขาไปซื้อยาอยู่เขาก็ยังจะติดอยู่เรื่อยๆต้องดึงตัวเ้าให้ออกทางจากยาเช่นให้ไปอยู่วัดไปอยู่ที่วัดถรมกร บ, บอกก็ได้ วอาทำกระ บ, บอกเขาจะมีวิธีให้เลิอกอยาได้คำถามต่กคุณสิทธิพงศ์ค่ะผมได้พิจารณาถึงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนสอนใจเมื่อเกิดเหตุที่ทำให้ทุกรู้สึกว่าใจเบาลงไปสงบได้อย่างนี้ได้ไหมครับได้ถูกต้องแล้วนะต้องปล่อยวางอย่าไปยึดเยียวไปติดกับของต่าง ถ้าเขาจะทำให้เราทุกข์ก็อย่าไปมีมันดีกว่ามีแฟนแล้วทุกข์ก็ให้เขาไปดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่ามีแล้วมีอะไรทุกข์ก็อยู่คนเดียวดีกว่าสบายกว่าคำถาเคือเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะยังอยากมีนั่นมีนี่อยู่เราก็ต้องนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไปเพราะจิตเราสงบแล้วเราก็จะไม่มีความอยากมีอะไรทั้งนั้นหมดแล้วยังคาถา ม, ม อ, าอีกสักสองคำถามสงสามคถามได้ คำถามจากคุณจานเอกต้องฝึกจิตขั้นไหนและปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องมีคู่ครองแต่มีความสุขเพราะเคยผิดหวังมาเจ็บปวดเป็นทุกข์มากเลยไม่ต้องพบเจออารมณ์นี้นั่นแหละก็พยายามฝึกสติให้มากๆแล้วพยายามนั่งสมาธิให้บ่อยๆแล้วพอจิตสงบความสุขเกิดขึ้นแล้วมันก็จะอยู่คนเดียวได้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องพยายามทําไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ คำถามจากคุณแบงค์การที่เราเจออุปสตรรคต่างๆที่เกิดจากการกระทําของคนอื่นนั่นคือกรรมของเราที่เคยทําไว้ในอดีตหรือเป็นกรรมใหม่ของบุคคลนั้นที่กําลังทําครับอ๋อมันเป็นได้หลายอย่างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราอยู่นดด้วยกันในโลกนี้มันก็บางทีก็มี ม, มีขัดขัดกันได้แย่งแข่งแย่งกันแข่งกันมันก็ต้องมันก็มีการ <mister ius> ขัดขวางกันไปขัดขวางกันมาเป็นธรรมชาติของกิเลสทุกคนอยากได้สิ่งเดียวกันมันก็ต้องแย่งกันแข่งกันขวางกันไปขวางกันมาอ่ามันเป็นเรื่องของกิเลสที่เรามีมาตั้งแต่อดีตเนี่ยถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็ไม่ต้องมาแย่งกับใครเราก็หาของเราถ้าตรงนี้เขาแย่งกันเราก็ไปหาที่อื่นถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็ไม่ต้องมีอะไรเราก็อยู่ได้ไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใคร แต่ถ้าเรายังมีกิเลสยังมีความอยากอยู่เราก็ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับคนนั้นคนนี้นั้นอย่าพยายามลดละกิเลสลดละความอยากแล้วต่อไปเราจะไม่มีปัญหากับใครเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป t a n